พุทโธสวัสดีค่ะท่านผังที่เคารพค่ะต้อนรับท่านเข้าสู่รายการที่จะสนทนาธรรมะที่พระพุทธค์ได้ตรัสสอนเอาไว้คือรายการสรนนิยมสนทนาดําเนินรายการโดยสรนนิยนาคพงศ์สนทนากับพระมหาภัยบุญอภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีรายการที่ท่านไภัยบุญพบกับท่านทาง f m ฟเอนี้มีเป็นประจําทุกวันเลยนะคะยกเว้นเสาร์อาทิตย์ โดยจันถึงพุทธนั้นท่านจะกล่าวธรรมะกับท่านทั้งหลายเพียงคนเดียวส่วนะหัตสปาีและวันศุกร์ดิฉันจะมากราบเรียนถามคำถามต่างๆกับท่านตอนนี้เราก็ไปพบ ก, กับพระมหาภัยบณ์กันเลยนะคะน้ำพรสการค่ะท่านคะเบ้านค่ะวันนี้ดิฉันมีคำถามจัดได้ว่าน่าจะเป็นคำถามพื้นๆด้วยซ้าไปเพราะว่าชาวพุทธเนี่ยแทบจะได้ยินกันเป็นประจำ คือเรื่องของสังฆทาน oh. นะคะกับเรื่องที่สองดิฉันก็สนใจเรื่องปานะนะคะ mm. เรื่องน้ําปานะใช่ไหมคะใชะ่มีหลายครั้งที่มีคนรู้จักบ้างแล้วบางครั้งตัวเองบ้างไปร่วมในกิจกรรมที่นิมนต์พระคุณเจ้าเนี่ยไปในช่วงที่หลังจากหลังเวลาอาหารไปแล้วหลังเวลาอาหาร uh. ค่ะนอกการแล้ใช่ แล้วก็รู้ว่าถวายปานะได้แต่ก็ยังมีความไม่ชัดเจนว่าเราจะถวายได้แค่ไหนอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมมติว่าเรานิมนต์ท่านไปตั้งแต่เช้าเลยให้ท่านแสดงทำหนักหนามากมท่านกระฉันมือเดียวหน้าจะหมดแรงพอช่วง ถ, ถวายปานะนะเราก็อยากจะจัดอะไรให้มันไปเสริมพลังงา น, านท่านที่ขาดไปใช่ไหมคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเท่าไรดีวันนี้จะขอเป็นความรู้จากท่าน โดยดจะเริ่มกันที่เรื่องสังฆทานก่อนดีไหมคะได้ๆจะกราบเรียนถามว่าสังฆทานที่คนไทยควรจะเข้าใจกันชาวพุทธควรจะเข้าใจกันเป็นอย่างไรคะเอ่อเอาศัพท์ก่อนนะศัพท์ทานเนี่ยหมายถึงการให้นะสังฆเนี่ยหมายถึงหมู่นะสังฆทานเนี่ยคือหมายถึงการให้แก่หมู่นี้โดยไม่ได้เฉพาะจอะจงว่าเป็นใครเป็นใครคะนะนนี่คือตามศัพท์เลยนะตามศัพท์สมมุติว่า ถ้าคุณยมติยุเตรียมข้าวของอย่างดีเอามาถวายท่านพระสารีบุตรอย่างนี้นะจัดจับใส่มือให้ท่านพระสารีบุตรนะอันนี้คือการมอบให้ท่านโดยตรงแหมถ้าเราได้เจอมีโอกาสาเจอท่านพระสารีบุตรจะดีมากนะเรียกว่าเป็นอะไรทานคะท่าเฉพาะเจาะจงใช่ใช่อันนี้เป็นเฉพาะเจาะจงเป็นการให้ท่านเลยเป็นทานเลยนะเป็นบุคลาทานคือให้แก่บุคคลนี้บุคลาทานใช่ให้กับบุคคลนี้นอเอ่อถ้าเราเจอพระรพุทธเจ้าแม้เรามีทายทานนะทายธรรมเนี่ย อยู่ในมือเราเราจะถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาใส่มือท่านเลยเนี่ยอันนี้คือให้กับบุคคล น, นั้นเลยบุคลาภทานอีกชนนใช่ใช่ใถ้าเราได้เจอพระพุทธเจ้าก็จะเป็นการดีมากเลยนะค่ะทีนี้ว่าเอ่อมันก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งนะก็คือการให้กับหมู่สงฆ์โดยไม่เฉพาะเจาะจงพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสเรื่องนี้ตรงดีว่าบางทีเออคารวะเนี่ยก็แน่นอนแหะเป็นผู้หวังบุญถูกไหม แล้วก็มีทายทานนะคือเครื่องที่จะสามารถถวายไดนะ้แน่นอนละหน้าที่ของฆราวาสที่จะมีต่อพระสงฆ์คือการถวายอามิสสถานฉะนั้นถ้าจะถวายอมิสทานเนี่ยให้ได้บุญมากๆากเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เคยสอนไว้เอาให้ในบุคคลที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเป็นเนื้อนาบุญอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแล้วตัวผู้ให้เนี่ยก็มีศรัทธาก่อนระหว่างและหลังและทีนี้การที่เราจะไปรู้ได้ว่าบุคคลเนี่ยมีราคะ หรือไม่มีราคะมีโทสะหรือไม่มีโทสะมีโมหะหรือไม่มีโมหะเนี่ยคนที่ยังมีราคาโทสะโมหะอยู่บางทีดูได้ยากดูไม่รู้หรอกว่าคนนี้บรลลุหรือยังคนนี้เป็นยังไงปฏิบัติดีหรือปฏิบัติชอบไม่อย่างไรบางทีมันดูได้ยากเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรายังมีกิเลสอยู่ยังมีราคามีโทสะมีโมหะอยู่จะไปดูคนที่เขาไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเนี่ยมันดูได้ยากพระพุทธเจ้าก็จึงแนะนําว่า ถ้าอย่างนั้นเราไม่รู้ว่าถวายจะถวายเฉพาะบุคคล น, นี้ให้เขาได้เพื่อเราจะหวังบุญมากก็ถวายรวมๆแล้วกันเนี่ยถวายแกหมู่สงฆ์สงแปบว่าหมู่นะสงะไม่ใช่แปลว่าพระนะภิกษุไม่ใช่แปลว่าสงนะแต่ว่าหมู่ภิกษุก็คือภิกษุสงหนะมู่ภิกษุนี้ก็คือภิกษุนิสงฆ์หนะมู่อุบาสกก็คืออุบาสกสงฆ์อย่างงี้นน ะ, ะนะเพราะฉะนั้นถามว่า สังฆทานก็คือการถวายทานกับบุคคลโดยที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าใครแต่ถวายกับหมู่ใ น, นซึ่งรูปแบบเป็นยังไงแต่ก็คือว่าเราก็บอกไปก็ได้ว่าอันนี้ถวายกับให้ให้กับหมู่นะไม่ได้ให้ท่านโดยเฉพาะเจาะจงะแต่นั่นคือถ้าสมมุติให้อดัมมาออดัมาเองก็จะมีสิทธิ์พิจารณาว่าอันนี้ฉันจะเก็บไว้อันนี้ฉันจะให้เขาอันนี้จะเข้าคลัง เนี่ยนี้เป็นสิ่งที่อนามาสามารถตัดสินใจได้ค่ะแต่ทีนี้มันก็จะมีรูปแบบแตนะ่ซึ่งสมัยนี้ที่เขาทำมันก็คือว่าคุณต้องไป น, นิมนต์พระมาสี่รูปแต่นะพราะไปเข้าใจว่าสงนเนี่ยหมายถึงพระที่เกิน4ี่รูปขึ้นไปค่นะแต่สงแปลว่าหมูนะนหม่นะเพราะหมู่มันมีกี่คนล่ะสองคนเรียกว่าหมู่ได้ยัง3มคนเรียกว่าหมู่ได้ยังสี่คนเรียกว่าหมู่ได้หรือ ย, ยังแล้วก็บางคนก็เขจะไปตีความว่าสี่คนขึ้นไปถึงเรียกว่าจะเป็นหมู่ทาไมอะ่ะเขาก็ดูจากตรงที่ว่าพระเนี่ย เป็นหมู่ที่มาจะลงปฏิโมกต้องมีสี่รูปขึ้นไปก็เลยดูจากหมู่ตรงนี้ จ, จริงๆ2คนก็ถือว่าเป็นหมู่แล้วสามคนก็ถือว่าเป็นหมู่แล้วไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปนิมนต์พระมาสี่รูปนั่นีค่คือข้อที่1มันอยู่ที่ว่าคุณจะทําพิธีอะไรอะ่ะถ้าอุโบโสถก็ต้องสี่รูปถ้าอาบัตสองรูปได้แต่สองรูปก็ถือว่าเป็นหมู่การปรลองอา บ, าบาัออตาบาิบางประเภทใช้สองรูปก็พอเอาปรลงอาบัตอีกบางประเภทต้องใช้ยี่สรูปอย่างเงี้ย เพราะนั้นมันก็จะอยู่ที่ว่ากิจกรรมอะไรถ้ากิจกรรมในการรับทานรับไตยทานที่คนก็เอามาถวายเนี่ยจริ ง, รงๆรูปเดียวก็พอถ้าบุคคล น, นั้นพระรูปนั้นภิกษุรูปนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายในการที่มอบให้แก่หมู่สงฆ์เพราะฉะนั้นในวัดอย่างเงี้ยวัดป่าตไทรโฉกเนี่ยก็จะมีผู้ที่รับมอบหมายว่าให้ดูแลดูแลคลังน ะ, ะดูแลคลังเพราะนั้นสมมุติว่าของมาตกถึงคนนี้คนนี้เขาก็จะจัดการว่า อ๋อพระรูปนี้ไม่มีกันไกลตัดเล็บใช่ไหมเอานี้ให้พระรูปนี้ไม่มีหมวกไม้พรมอ่อมันหนาวเอาให้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะจัดการแบ่งกันไปก็เท่ากับ ว, ว่าถ้าประสงค์รูปใดอ่าเป็นผู้รับรับรูปเดียวเลยได้ไหมคะเพราะบางทีดิฉันเห็นเขาไปถวายสังฆทานก็ถวายกับพระรูปเดียวเหมือนกั น, นะะก็เนี่ยก็ถูกต้องอยู่แล้ว ก, แวก็แล้วก็ต้องชี้แจงให้ท่านทราบนะว่าอันนี้ถวายกับหมู่นะท่านก็จะไปมอบอันเนี้ยเป็นสังฆทานท่านก็จะรู้เลยใช่ใช่ ก็ต้องมอบให้แกหมูละห ม, มูนี่หมายความว่าอคนที่เขาไม่มีเขาก็สามารถมาเบิกมารับไปได้คือไปเป็นส่วนกลางว่าอย่างนั้นเถอะใช่ถูกัหมคะท่านเป็นตัวแทนในการรับเท่า น, นั้นเองเพอร <Sí> พับปุ๊บของนี่จะต้องเป็นส่วนกลางทันทีใช่ใคร <ues> ใครต้องการก็มาเบิกเอาไปค่ะเนี่ยซึ่งแต่ถ้าสมมติว่าถวายเฉพาะเจ้าจงให้ท่านท่านก็มีสิทธิ์ในการที่จะพิจารณาเลือกก่อนนี่จะเอาอันนี้จะไม่เอาอันนี้ที่เหลือจะค่อยเข้าคลังอย่างเงียบเงียบ ค่ะท่านครับแวถวายอะไรได้บ้างะคะออสำหรับภิกษุก็คือสามารถรับปัจจัยสี่อันควรแก่สมณะจะบริโภคได้มีอะไรบ้างเนีเสื้อผ้ากางเกงเสื้อไอ้มันไม่ใช่สมณะจะมาใส่ได้นะ <Okay. S 1> ก็ต้องเป็นออพวกจีวรใช่ไหม <Okay. S 1> จีวรสังฆติผ้านุ่งผ้าคลุมพวกนี้อันนี้สําหรับพระจะรับได้หรือว่าผ้าขาวก็มาตัดเย็บย้อมก็ตามตามวินัยไปอันนี้คือส่วนที่หนึ่งส่วนที่2คืออาหารนั่นเองอาหารก็รับได้ อาหารนี้ก็ต้องเป็นอาหารที่บริโภคเลยเบืพร้อมบริโภคเพราะว่าพระนี่เก็บสะสมไม่ได้คแล้วก็ต้องไม่ใช่เนื้อสัตว์ประเภทที่เนื้อเสื อ, เ น, อเนื้อมนุษย์เนื้ออะไระประหลาดๆนี่ไม่ได้คแล้วก็ก็จะมีข้อห้ามอีกเช่นเนื้อดิบอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เหมือนกันหรือว่าค่าเฉพาะเจาะจงมานี้ก็ไม่ได้ะคือถ้าพระทราบก็จะไม่ฉันคือรับได้อยู่แต่ว่ากินหรือไม่กินนี่อีกเรื่องหนึ่งท่านก็จะต้องดูตามที่เหมาะสม เลยคือเรื่องอาหารใ น, ในถัดมาก็คือเรื่องเซนาสนะเสี่ยเซนาสนี่ก็หมายความว่าอาจจะเป็นที่อยู่ จ, จะเป็นที่ดินที่ดินนี้ไม่ใช่ว่ารับที่ดินเพื่อไปทําไร่นานะแต่รับที่ดินเพื่อที่จะเป็นที่อยู่เนี่ยได้ <Okay. S 2> นะแล้วก็สุดท้ายก็คือพวกยารักษาโรคนะีแล้วก็ <Okay. S 2> อุปกรณ์ต่างๆที่มัน เ, เกี่ยวข้องอนะ่ะก็สามารถใช้งานได้รับได้ ค่ะคือเหมือนกนว่าถ้าพระจำเป็นใช้อะไรเช่นสมมติว่าพระต้องโกนผมลงผมเราถวายมีโกนอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะได้ได้ค่ะอ่าแล้วก็บางครั้งเนี่ยสมมติบางคนไม่ทราบอะคะ่ะก็คิดเองด้วยเจตนาอันบริสุทธ์นะคะว่าพระสงสัยจะใช้อันนี้ได้ก็เลยใส่ถวายไปอย่างนี้ผิดไหมคะทั้งๆ ท, ที่พอไปถึงปลายทางแล้วพระสงฆ์เห็นว่าไม่เหมาะอะอย่างเช่นว่า ใส่สุรามาอย่างนี้ไวน์หรือว่าเหล้าใช่ไหมไม่ใช่ค่ะสมมุติว่าโดยเจตนาบริสุทธิ์เลยนะคะ <c oughs> เช่นของแบบเนี้ยอ่าสมมุติที่ฉันถวายน้ําหอมพระอ่ะก็ะมีคนรู้สึกว่าโอ้มของดีนะเนี่ยอืออากาศร้อนๆแบบนี้พระจะได้เย็นหน่อยน้ําหอมมันนี่กลิ่นก็จะทําให้รู้สึกไม่ร้อนสมมติค่ะเอะอเอออคนคนคนให้ไม่มีปัญหาหรอก อยู่ที่คนรับท่านั้นเองว่าจะพิจารณาใช้อย่างไรค่ะแต่<อ>โดยเจตนาใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้ดิฉันเห็นมีการถวายของพระกันแปลกๆแล้วรู้สึกว่าถวายแล้วเป็นประเด็นสังคมเลยเอ่อยกตัอย่างเช่นสุราอย่างเงี้ยนะสุรา <c oughs> สมมติเราพูดถึงเหล้าเนี่เหล้านี่มันไม่ควรกับพระอยู่แล้วถือว่าแต่พระรับมาเนี่ยนะไม่ไม่ไม่ผิดนะยกเว้นคุณต้องกินถ้ากินเนี่ยผิดค่ะแต่ถ้ากินเนี่ยไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเลยรับมานี่ ไม่เกี่ยวบางคนก็ไม่รู้อ่ะเพราะนั้นเรารับอะไรมาเนี่ยอถ้าเปรียบเทียบกับเงินเนี่ยรับเงินมากับรับสุรามาเนี่ยรับเงินยังมีความผิดมากกว่าอีกก็อะไรกันคะเพราะว่าพระเนี่ยไม่ควรกับเงินไงพระเนี่ยสมณะเนี่ยไม่คู่ควรกับเงินทองเหมือนถ้ารับรับเองก็ตามให้รับก็ตามอันนี้มันผิดเลยเป็นบัญญัติไว้หรือไงคะใช่ใช่ โอเ ป, เป็นพุทธบัญญัติเป็นวินัยไว้ถูกต้องถูกต้องอัหนหึงภิกษุดได้รับก็ตามให้รับก็ตามซึ่งตองได้เงินเป็นดับัติป จ, จิตติแล้วสุราไม่มีบัญญัติเหละคะ่ะว่าภิกษุใดห้ามดื่มบัญญัติว่าห้ามดื่มอ๋อค่ะห้ามบริโภคห้ามกินเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตามตัวตัวบทนะทาดูตั ว, ตวบทรับมานี่มันไม่ผิดอยู่แล้วแต่อาจจะไม่เหมาะแต่ไม่ผิดแต่เงินนี่รับมาผุ๊บผิดเลยยังไม่ทัต้องใช้ก่อนนะใช้นียีปิดกุลผิดอีกต่อหนึ่งค่ะ แล้วทำยังไงล่ะคะเงินก็เป็นปัจจัยที่จําเป็นกับการดํารงชีพในยุค ป, ปัจจุบัน uh huh. คนคนก็เลยมองว่าเขียนเนื้อไปทําไมใบบาวรรณามันก็ไม่แตกต่างกันหรอกอืมเออก็คืออันนี้เพื่อให้อพระทราบว่าคุณมีความเจตนาเนะี่ยนี่คือทราบถึงเจตนาของผู้ถวายนะว่าเจตนาว่าเขาเนี่ยต้องการถวายปัจจัยสีแตนะ่มีมูลค่าเท่านี้แล้วให้มีบุคคล น, นี้เนะี่ยเป็นผู้ดําเนินการแต่งสงก็เรียกว่าวายาวัชกร ค่ะนั่นคือจะเป็นรูปแบบอีกอันหนึ่งที่ใช้ขึ้นขึ้นมาก็คือให้มีวัยวัจกรวัยวัจกรนี่คือไม่ใช่เป็นคนรับเงินแทนพระนะค่ะก็จะหมายคื อ, ค อ, อถ้าอย่างสมมุติว่าพระต้องการอะไรเนี่ยก็ไปเบิกเงินจากวัยวัจกรอันนี้ไม่ใช่ก็ถือว่าถือว่าคนนี้เขาไปทําหน้าที่รับแทนรับแทนก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าพระต้องการอะไรก็ไปเบิกของที่ตัวเองต้องการจากคนนั้ น, นคนนี้ย เขาเรียกว่าวายะวจกากรคนนี้ทำไงอ่ะเขาจะเอาเงินที่อคนหนึ่งเขาให้ให้คนนี้ไว้นะแต่ไม่ได้ว่ารับแทนพระน ะ, ะให้แล้วก็ไปจัดการซื้อหรือว่าหาสิ่งของที่ควรแก่สมณะจะบริโภคในรูปของปั ะ, ปะจัยศีมาให้พระภิกษุรูปนั้นก็ทําอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเป็นวิธีการเพื่อที่จะช่วยไม่ให้พระสงฆ์นั้นต้องทําผิดวินัยพระาศาสดาก็คือไม่ต้องคิดเรื่องเงินเลยใช่ค่ะนะคะ อทีนี้ขอวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่ในกรณีนี้อีกนิดนึงนะคะว่าในกรณีที่สมมุติเกิดมีคนรู้สึกจริงๆว่าเอก็อเผื่อว่าพระสงฆ์จะจิบสุราเพื่อสุขภาพสมมตินะคะเพราะว่าศีลข้อห้าเนี่ยเป็นเว้นขาดไหมคะเว้นขาดแต่ว่ามีข้อแม้ใช่ไหมคะว่าเพื่อเพื่ออะไรนะคะเพื่อเพลิดเพลินอม เว้นขาดจากการดื่มสุราและเมลไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทถูกต้องแต่ทีนี้อย่างกับยิ่งถ้าเป็นยุคเก่าใช่ไหยคะยาเนี่ยมันจะต้องเข้านูน่นเข้านี่บางทีก็เข้าแอลโกอฮอล์ของสุราเนี่ยใช่คนก็เลยหวังดีไงเผื่อพระจะไปแก้อืดท้องสมมุติคะ่ะอ๋อมีมีมมในสมัยวุฒิการก็มีมาตั้งแต่ตรงนั้นแล้วก็ยกเว้นได้นะคะยกเว้นได้ ส, สําหรับในกรณีที่ว่าเป็นยานะ แล้วถ้าเกิดดิฉันออืก็เอาอย่างเงี้ยไปถวายทีนี้พระภิกษุรูปนั้นเนี่ยมีความรู้สึกดูหน้าตาเป็นเล่าเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้เห็นมีความจําเป็นแล้วก็คิดเป็นพิถึงด่วยเขาอาจจะคิดว่าเป็นยาโยมเอาคืนไปามาถวายอาตมาได้ยังไงถ้าทําได้ไหมคะอย่างงี้นะคะทำได้สิก็ไม่รับบางอย่างสามารถทําได้เอเคค่ะนะคะับดิฉันนึกว่าถ้าถวายอะไรรับหมดแล้วท่านไปแยกกันทีหลังให้โยมกลับบ้านก่อน อนุโมทนายมันมันจะมีข้อนี้ไงที่สําหรับพระสงฆ์เนี่ยหน้าที่ขสําหรับพระสงฆ์สําหรับต่อคารวาดเลยนะก็คือหนึ่งอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามอันนี้ต้องมีสองสองข้อแรกเนี่ยก็คือให้ตั้งอยู่ในความดีสองห้าห้าห้ามเสียจากบาปใช่ไหมข้อที่สามเนี่ยคืออนุเคราะห์ด้วยใจอันงามนะซึ่งตรงเนี้ยอซึ่งถ้าถ้าแบบพระไปเที่ยวด่าว่าเขาอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่เหมาะเพราะว่าคุณจะไปอนุเคราะห์เขาด้วยใจองามมันก็ไม่ค่อยดีแต่อาจจะอ้างว่า ห้ามเขาเสียจากบาปให้เขาตั้งอยู่ในความดีนะมันก็คงจะต้องมีอีกสิ่งที่ว่านุเคราะห์ด้วยงงามนี้ด้วยนะ <Okay. S 1> ลงมาด้วยกันคือที่ฉันก็อาจจะถามคำถามในสิ่งที่มันไม่ค่อยเกิดหรอกคนเขาก็รู้แล้วเพียงแต่เนื่องจากเมื่อไม่นานมันมีเหตุการณ์ที่ว่าจริงๆนะคะมีการถวายของแปลกๆกับพระผู้ใหญ่ ก็เลยต้องถามเผื่อไว้นิดนึงว่าจะเป็นท่าทียางไรก็สรุปแล้วท่านผู้ฟ <family> ังคงจะพอเข้าใจแล้วนะคะว่าสังคทานถ้าตามความหมายที่ถูกต้องนั้นพระศาสดาต้องการให้เราได้ถวายในปัจจัยสี่ที่ควรแก่สมณะบริโภคให้กับหมู่คณะของสงฆ์เป็นการตัดปัญหาในการที่เราเกิดรู้ธรรมว่าถ้าถวายพระที่เป็นเนื้อนาบุญคือเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แล้วเนี่ยจะทำให้เราได้บุญมากกว่าแต่ว่าเรายังเป็นคนมีกิเลสไม่สามารถไปตัดสินได้อย่างนั้นก็ใช้วิธีง่ายๆว่าให้ถวายเป็นหมู่คณะดีกว่าเนี้ยดิฉันพูดถูกใช่ไหมคะมันก็จะมีแง่มุมตรงนี้ว่าไม่ใช่ว่าถวายสังฆทานแล้วจะได้บุญมากเท่ากันกับถวายในเนื้อนาบุญน ะ, ะมันต่างกันตรงนี้นิดหนึ่งเพราะว่าสมมติว่าเราถวายให้กับเนื้อนาบุญ <C ue S 2> e คืออสมมติเราถวายให้กับพระพุทธเจ้าเราถวายให้กับพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่ตอนนี้เราก็คิดว่าเราจะถวายให้กับหมู่สอแล้วคิดว่า e จะได้บุญเท่ากับถวายให้กับพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้จะไม่เป็นอย่างนั้น e ค่ะมันก็จะอยู่ที่ว่าผู้รับมีราคะโทสะโมหะมากหรือน้อยถ้าหมู่นั้นเขาอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีมันก็อยู่ที่ว่าหมู่นั้นก็เป็นยังไงอ่นะเราก็จะได้บุญตามลําดับที่เขามีหรือไม่มีกิเลสตรงนั้นค่ะนะคะ อันนี้ก็อ่าเป็นเรื่องที่ถ้าเรารู้ไว้ก็ดีเราจะได้ไม่บางทีเป็นบังคับให้พระทําอะไรในสิ่งที่ผิดพระวินัยด้วยหรือว่าอา่เราก็ไม่พยายามที่จะส่งเสริมให้ท่านได้ทําตรงตามอ่าที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้ใช่ใส่บาทเนี่ยค่ะท่านคะนี่ยิ่งเป็นเรื่องจําแนกยากเลยนะคะเพราะบางครั้งโดยเฉพาะบางคนเนี่ยนานๆาใส่บาททีแลรู้สึกจิตเศร้าหมองนะเฮ้ไม่รู้นิ่ นี่พระจริงวะเนี่ยเรียกว่าเป็นใครก็ไม่รู้แต่งตัวแบบพระหรือเปล่าดูถ้าทางไม่คยสํารวมสมมุตินะคะเดี่ยมฟานใส่บาทไปก็จิตใจเศร้าหมองไปอาอให้ให้นายมาแนะนําดีไหมว่าว่าเขาควรจะทํำยังไงค่ะะคือสมมุติว่าถ้าเรามีจิตใจที่จะให้ทานแล้วจิตใจนั้นดีนะจิตใจนั้นดีแต่ดีว่าการที่เราจะให้ทานเนี่ยเราจะได้บุญมากหรือน้อยคือแน่นอนคุณจะให้ทานต้องหวังบุญถูกไหมล่ะค่ะมันคุณจะให้ทําไมคกูก็ให้ทานคุณจะต้องหวังบุญแน่ล่ะ คุณจะให้ทานแล้วคุณจะหวังบุญนะ่ะถ้าใจิตใจคุณมีความเอ๊ะจคนจะคนจะให้หรือเปล่าเนี่ยการให้ทางคุณออน่ะเศร้าหมองบุญที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เต็มอย่าไปคิดอย่างนั้นเราต้องคิดยังไงอะ่ะเพราะว่าคนรับเนี่ยบางทีเราเราไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงเอาตัดไปเลยตัดไปเลยให้พัฒจริงพัฒจริงพัฒ ป, ปอมพัฒปอมแล้วไม่รู้เรื่องตัดไปเลยเอาส่วนที่เราควบคุมได้ก่อนคือจิตของเราจิตของเราก่อนให้ระหว่างให้หลังให้มีศรัทธาไหมถ้ามีศรัทธา การให้ตรงนั้นเนี่ยสำเร็จประโยชน์ที่ฝ่ายเรารแล้วเพ อ, เอินถ้าเรารู้ว่าคนที่รับนี่ เ, ออเขามีศีลดีนะอันนี้ก็คือสําเร็จประโยชน์ที่ฝ่ายฝ่ายรับด้วยมันต้องอมีสองขานะขาให้กับขารับนะขารับบางทีเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันควบคุมไม่ได้หรือว่าบ้านมือันเป็นอย่างนี้หรือว่า เ, อาเราไม่รู้จักใครเอาเราก็บางทีเราควบคุมไม่ได้ ง, งั้นตัดจริงไปก่อนเอาที่เราควบคุมได้คือฝ่ายให้คือตัวเรารอย่ายให้เศร้าหมอง เพราะว่าบุญเราจะเศร้าหมองมันจะได้บุญไม่เต็มค่ ะ, <Ừ. S 2> ะการให้สําคัญตั้งแต่ก่อนให้ระหว่างให้และหลังให้อันนี้สําคัญก็ย้ํากันเอาไว้เราคงผ่านเรื่องของสังฆทานค่ะอะเรามีเทคนิคหนึ่งบุญโยมเดี่วค่ะซึ่งหลายหลายคนเขาก็เ อ, อทํากันอย่างนี้นะก็คือบางทีเราไม่มีเวลาไปใส่บาตรหรือว่ามันมันไม่อยู่ในสถานที่ที่เราคิดว่าเราจะทําแล้วมันจะได้บุญเนี่ยน ะ, ะก็คือให้เอากระปุกออมสินี่ยสมมุติวันนี้ฉันต้องการจะ ใช้งบประมาณเท่านี้ในการไปซื้ออาหารใส่บาตรพระแล้วก็หยอดกระปุกก่อนอแล้วยอดกระปุกก่อนพอถึงเวลาเรามีจังหวะดีๆเราก็เอากระปุกเนี้ยไปทําในเนื้อหนาะบุญที่เร า, าเรารู้จักในที่ว่าเราจะหวังบุญมันก็จะได้สะสมไปเรื่อยๆได้ค่ะแล้วกรณี<ม>ที่เราไปถึงวัดแล้วเราบริจาคไว้ล่วงหน้าเลยได้ไหมคะว่าเราขอถวายพัฒนาาหารทั้งปีเป็นจํานวนเงินเท่านี้อืมได้ได้สามารถทําได้ไดก็มีหลายอย่างก็ขอให้สําคัญที่ใจใช่ การให้ทุกอย่างเป็นผลถูกต้องการให้ทาน่มีผลเนี่ยความคิดนี้ความเห็นนี้เป็นสัมมาทิฏฐิค่ะนะคะส่วนรายละเอียดของการให้เป็นอย่างไรยังคิดว่าเพื่อให้วันนี้เราสําเร็จประโยชน์จากการที่ได้เปิดเอาไว้แล้วว่าจะต้องเหลือเรื่องคําถามว่าปานะควรจะเป็นอย่างไรอีกเนี่ยอ่าก็ขอผ่านไปเรื่องปานะเลยได้ไหมคะได้เเจ้าหานนะคะค่ะท่านค่ะอ่าปานะ ส่วนใหญ่จะมาคู่กับคําว่าน้ำาิฉ <c oughs> ั <c oughs> จนจึงอยากทราบว่าน้ําปานะหรือปานะเป็นคําที่ถูกแล้วถ้าเราจะถวายน้ําปานะหรือปานะที่ว่าถวายได้หลังจากที่วิกาลแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ใช่ะจะถวายอย่างไรจึงจะถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เราคิดว่าควรจะถวายมากๆหน่อยเพราะพระคุณเจ้าเสียพลังจากการที่ <c oughs> สแสดงธรรมหรือสอนพวกเราเยอะมากค่ะ โอเคอันดับแรกเราไปทำความเข้าใจเรื่องคำศัพท์ก่อนน ะ, ะปานะเนี่ยเป็นภาษาบาลีคุณยมติว๋วปานะเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยตรงตัวเป๊ะๆ ว, ว่าน้ําอ๋อค่ะปานะแปลว่าน้ําเลย <c oughs> เพราะงั้นน้ํนนาปานะก็แปลว่านา้ําน้ำใช่ไหมคะเออใช่โอ้ทำไมจึงขาอยู่คนเดียวเมูสิกูค่ะอ่าแล้วปานะมันหมายความว่าไงน้ําอะไรนี่้ําอะไรเรากำลังพูดถึงน้ําอะไรเนี่ยค่ะอ่าถ้าสมมุติว่าอ่าในในรูปแบบของการบริโภค สาหรับพระสงฆ์อนุบาลก็จะแนะนําทีละเทอมนะทีละรมพระสงฆ์เนี่ยรับประทานอาหารกินข้าวใช่ไหมกินไปเสร็จปุ๊บกินได้ตอนไหนกินได้ในเวลาคำว่ากินได้ในเวลาเนี่ยคือกินในการเวลาอะไรก็เวลาที่เขากินข้าวกันเวลาที่เขาทากับข้าวกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวลาเชา้าตื่นมาปุ๊บทุกคนก็หาอาหารใส่ปากก่อนกินเรื่องบากท้อกันก่อนเอ้าก็เวลานั้นเท่านั้นจบนะถ้าออกจากเวลานั้นแล้วคือเวลาที่เรีว่านอกกาลแล้วนอกกาลอะไรนอกกาลที่จะบริโภคกันแล้ว เขาเรียกเวลานี้เราเวลาวิกาลนะสามเวลาวิกาลคนไทยใช้เวลาหลังเที่ยงนะสิบสองนาฬิกาไปหลังตรงนี้ไปนั่นะคือเวลาวิกาลนั่นะคือที่เมืองไทยเราเป็นอย่างนี้นะทีนี้ถามว่ า, าพระสงฆ์เนี่ยในช่วงในการกินได้1มื้อโอเคนะพระสงฆ์ในช่วงในการกินได้1มื้อแล้วถ้านอกการแล้วก็กินไนม่กก ไ, ได้แล้วจบแล้วอาหารที่เป็นอาหารที่เป็นอาหารข้าวอาหารหวานอะไรต่างๆเราเนี่ยจบแล้วนะ และอะไรที่รับประทานได้ในเวลาวิกาลนะคือนอกการแล้วเนี่ยนะกินอะไรได้บ้างนะน้ําเปล่ากินได้แน่นอนนะนี่ก็ <c oughs> ที่1 2. ส, สิ่งที่เป็นปานะนะคือน้าผลไมนะ้ที่ไม่เติมน้ําตาลไม่ผ่านความร้อนและผ่านการกรองกินได้สองอย่างนี้กินได้แน่นอนไม่มีปัญหาเลยเดื่มได <c oughs> นะ้สองอย่างนี้นะคุณโยมติจทไปก่อนนะน้ํนาเปล่า สองน้ำผลไม้ที่ไม่ผ่านความร้อนไม่เติมน้ําตาลแล้วก็ผ่านการกรองเช่นคุณคั้นน้ำส้มมาแก้วหนึ่งกรองให้เรียบร้อยไม่ต้องความร้อนไม่ต้องเติมน้ําตาอะไรเอาไปถวายพระเนี่ยพระฉันได้เลยหลังหลังเที่ยงไปนะหลังเวลาวิการไปอันนี้ก็อันที่สองแล้วอันนี้เป็นอขอประธานโทษนะคะถ้าเป็นปานะนี่จะต้องอย่างนี้เลยถ้าเปิดกระป๋องน้ําผลไม้กระป๋องบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาผ่านการ ผ่านไฟผ่านต้มมาหรือเปล่าใสาน่น้ำตาลหรือเปล่าส่วนใหญ่จะไม่ผ่านอยู่แล้วน้ําน้ําผลไม้คือถ้าถ้าเหมือนเป็นน้ําผลไม้สดน ะ, ะ น, น้ำมะเกิดเทศอะไรต่างๆนี้ไม่ผ่านอ๋อเดีฉันก็เลยพูดถึงน้ํากระป๋องมางชนิดบางทีรู้สึกเขาจะหวานมากเป็นพิเศษเงี้ยอ๋อก็คงจะต้องดูส่วนผสมอืมค่ะแล้วก็ยังมีอะไรอีกพระพระเจ้ายกตัวอย่างเช่นน้ํำมะตูมอน้ํากล้วยมีเม็ดไม่มีเมล็ดอะไรต่างๆก็ได้ทั้งนั้นนะไม่ผ่านความร้อนนะไม่ผ่านความร้อน น้ำ ต, ตูมอ้วนค่ะน้ำมะตูมคือมะตูมไทยกับมะตูมอินเดียมันก็จะไม่เหมือนกันอีกเอาทีนี้น้ำมะตูมอย่างที่เราทําในบ้านเราเนี่ยมันจะไม่ใช่อย่างที่ปานะอย่างที่เราว่าค่ะจะไม่ใช่เรียกว่าปานะเพราะอะไรเพราะเขาผ่านความร้อนแล้วก็เติมน้ําตาลด้วยอ๋อถูกไหมเวลาเขาต้มน้ำมะตูมเนี่ยเขาก็จะใส้ไฟระเต็มที่แล้วก็เติมน้าํตนาตาลด้วยแล้วก็เอาซีกมะตูมเนี่ใส่ลงไปใส่ลงไปนี่คือมะตูมคนไทยซึ่งซึ่งมันจะไม่ใช่ปานะ ถ้าชงเป็นชาเหรคะท่านคะแบบที่เขาเอาวาัตูมาฝานตาแห้งอันนั้นก็ยังผ่านความร้อนอ๋อโอเคนะทุกมันมีประเด็นข้อที่สามนนี้ข้อที่หนึ่งเราผ่านไปแล้วนะคือน้ําเปล่านะข้อที่สองคือปานะนะส่วนที่สามเนี่ยคือยาพระเนี่ยกินยาได้นะถูกไหมถ้าถ้ามันป่วยมันมีเวทนาอะไรต่างๆกินอะไรเพื่อที่จะดับเวทนาเป็นยาเนี่ยมันได้ตรงส่วนที่สามตรงนี้แหละที่เรียกว่าเป็นเพสัช อะไรบ้างเป็นเพสัชโอ้โหมันเยอะแยะไปหมดแล้วที่นี้นะเช่นนะ้ํามะตูมเนี่ยเอาเพศัตรก่อนที่รบรรดาอนุญาตคือเนยใสในคข้นน้ํามันน้ําพึง่งน้ำอ้อยเนยใสยนะเนคข้นนะน้ํามันน้ําพึ่งและน้ำอ้อยนี้เป็นเพสัตนะีชชื่อของเทอมตรงนี้เขาเรียกว่าเพสัชห้าเป็นยาได้เป็นยาได้น้ำพึง่อองอ้าวกินได้นี่เป็นอะไ ร, รเป็นยาเขาเรียกว่าเพสัชเขาไม่ใช่เรียกปลาเนาะสมมติคุณเอาน้ําพึ่งไปถวายพระบอกนี่เป็นปานะ มันพูดไม่ถูกอันนี้ต้องบอกเป็นเภสัชอืมค่ะแต่สามารถรับประทานหลังเอ่อหลังเวลาภายในเวลาวิการได้ใช่อ๋องั้นถ้าสมมติว่าในกรณีที่เห็นว่าพระสงฆ์รูปนี้ท่านเหนื่อยมากอาจจะมี เ, เ, เวทนาเพิ่ขึ้นใช่เราควรจะถวายของที่เป็นเพสัตชได้ช่วยอันนี้เป็นยาบำรุงเมื่อกันเถอะเป็นระ ง, งับเวทนาจุดประสงค์ของยาทั้งหมดเลยในเภสัชทั้งหมดเลยจุดประสงค์ของยาเนี่ยเพื่อที่จะระ ง, งับเวทนา ระ ง, งับเวชนาถูกต้องระ ง, งับเบชนะเพษัดใส่น้ําร้อนได้ไหมคะไ ด, ไะได้ได้ได้ได้เพราะฉะนั้นเพษัดเนี่ยมันได้ทุกรูปแบบอยู่ละอะไรที่มีคุณสมบัติเป็นการที่จะระ ง, งับเวทนาได้หมดเคี้ยวอะไรที่เคี้ยวได้ได้ไหมได้ถูกต้องอ่ะบรุระเจ้าอนุญาตเราไล่ไปทีละอย่างก่อนน ะ, ะหนึ่งน้ำเปล่าได้น ะ, ะสองปาเนะนะคือน้ํา ผลไม้ที่ไม่ผ่านความร้อนไม่เติมน้ำตาลไม่แล้วก็ผ่านการกรองนะคุณไม่ป่วยไม่ได้มีเวทนาอะไรดื่มสองอย่างนี้ได้ไม่มีปะนะัญหาอย่างที่สาคือเพสัชเนีคุณต้องมีเวทนาต้องมีอาการอะ่ะเช่นอาการรู้สึกไม่สบายกายในจุดใดจุดหนึ่งแล้วคุณสามารถที่จะพิจารณาเภสัชได้อะไรบ้างหนึ่งเพสัชอ่ะเราพูดไปแล้วคสองส่วนที่เป็นกาบ ต้นใบรากหรือเมล็ดของต้นไม้ที่มีคุณสมบัติเป็นยาได้โอเคะ okay, นะเพราะฉะนั้นแค่2 อ, อย่างนี้โอ้โหมันก็มากมายมาสารละคุณโยมติวเอาแค่ว่าน้ำอ้อยน้ำอ้อยก็แปลงรูปเป็นน้ำตาลเพราะฉะนั้นน้ำมะตูมที่เขาต้มต้มกันเนี่ยแล้วก็เติมน้ำตาลผ่านความร้อนเอามาให้พระฉันเนี่ยในเวลาวิการเนี่ยไม่ได้เรียกว่าป่านะนะควรจะเรียกว่าเพศัส แล้วพระที่ดื่มน้ําตรงนั้นเนี่ยที่ผ่านความร้อนเติมน้ําตาเนี่ยคุณก็คือคอนเซ็ป์ว่าคุณกินน้ําอ้อยถูกไหมล่ะน้าอ้อยก็เป็นเภสัชห้าเนี่ยแสดงว่าคุณต้องมีเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่อยู่ในกายกินอันนี้เพื่อที่จะดับเวทนาถ้าเวทนานั้นคือการหิวเรียกว่าเวทนาได้ไหมคะถูกต้องเวทนาคือความหิวถูกต้องเวทนาคือความร้อนแบบมันไม่สบายมันอากาศมันร้อนเหลือเกินกินน้ําเย็นเย็นน้ำมะตูหมหวานหวาหน่อยเพื่อที่จะดับเวทนาอันนี้ถูกต้องเลยไม่มีปัญหาและสมมุติว่า รากบัวนะคะคนจีนเชื่อว่าเป็นยาอันนี้ดิฉันสมมตสิสรรพคุณนะเพราะว่าจริงๆไม่รู้ๆแต่ว่ามีสรรพคุณออ่าคนจีนว่าเป็นยาสมมุติว่าเป็นยาบำรุงทําให้สดชื่นมีพลังแล้วก็เลยเอาไปเชื่อม น, นิดนึงหรือต้มกับน้ำํำฉั น, น, นรากได้ไหมคะหรือต้องฉันแต่น้ำประเด็นตรงนี้นะ คือกินเพสัตเนี่ยเพสัต์กินเพื่อที่จะดับเวทนาเพราะฉะนั้นคุณจะกินอะไรก็ได้ที่มันจะดับเวทนานี้ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาตามที่พระรูปชาบญญาติ ม, ตมีเพสัตหหรือว่าส่วนประกอบของต้นไม้อย่างนี้เป็นต้น<อ>ได้นะนแล้วประเด็นคือว่าพอเวทนามัน ง, งับแล้วควรหยุดคือคือค อ, อสมมุติเราพูดถึงรากบัวถ้าคุณกินรากบัวกินแบบสักหน่อยมันก็ระ ง, งับเวทนาได้ไหมถูกไหมไม่ได้ว่ากินเป็นชำชามกินเป็นหม้อหม้ให้มันอิ่มแป้เหมือนโอ้โหเป็นอาหารมันไม่ถูกหลัก ค่ะท่านค่ะมันอีกอย่างหนึ่งคะที่ฉันเห็นคนสมัยใหม่เนี่ยชอบถวายพระก็คือพวกดาร์กช็อกโกแลตช็อกโกแลตคือเมล็ดถูกไหมเป็นเมล็ดของต้นไม้แต่เมล็ดของต้นไม้ที่มีคุณสมบัติเป็นยาสามารถกินเพื่อที่จะระงับเวทนาได้อ๋อเข้าขายเพสัทเข้าขายเภสัชถูกต้องเข้าขายเภสัชทีนี้ถามว่ามันระงับอะไรถ้าสมมติเอาเอาแค่ว่าเวทนาคือความหิว เราก็กินสักหน่อยเพื่อที่จะระงับเวทนาได้ถูกแต่ว่าไม่ได้กินเป็นสิบสิบอันเพื่อที่จะแก้หิวเพแก้หิวเพลียอันนี้ได้อได้ใช่ใช่ค่หรืออย่างเฉาก้วยอย่างนี้เป็นต้นอ่ะเฉากล้วยอ่าดิฉันก็ไปทานมาตอนปฏิบัติธรรมที่วัดท่านนะคะใช่เฉากล้วยเนี่ยอรับประทานเพราะมันเป็นอะไรเป็นใบไม้ถูกไหมเป็นส่วนประกอบของต้นไม้รับประทานเพื่อที่จะระงับเวทนาได้สมมติพ่าท่าเราไม่หิวเรารู้สึกสบายกายอยู่แล้วคุณจะไปกินเฉาก๊วยเนี่ยมันผิด <C HA> แต่ถ้าบอกว่าเรามีความไม่สบายกายเกิดขึ้นในกายเช่นปวดตรงนั้นมันอากาศมันร้อนต้องกินให้มันเย็นสัหน่อยเอาก็กินได้<อ>พิจารณานะ <c oughs> แล้วก็จึงรับประทานได้นั่นะรับประทานไปสักสามสี่ช้อนสักครึ่งชามชามหนึ่งเออมันเวทนาบรรณ ง, งับไปแล้วควรหยุดแต่ไม่ใช่ฟ<อ>าดมันสี่ชามห้าชามจนหยุดแปละอันนั้นิดิฉ <c oughs> ันว่า <c oughs> บางมื้อที่วัดป่าดอนหายโศกของดิฉั น, นอาจจะเข้าขายไม่ใช่เวทนานี้หุ่นจริงเลยนะคะคือไปใหม่ๆเนี่ยเราก็กลัว เพราะว่าไม่ค่อยได้รักษาศินแปดเป็นปกติพอถึงเวลาในในข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวมาจะจะได้บอกไว้ตอนปฐมนิเทศอยู่ก็โยังไม่ได้เข้าปฐมนิเทสมันนั้นพลาดไปใช่ไหมคะก็มีความรู้สึกว่าโอ้สงสัยวันแรกๆเนี่ยถ้าฟังอย่างนี้แล้วแปลว่าพลาดไปแล้วไม่มีเวทนาไม่มีความหิวแต่มีความกลัวว่าจะหิวค่ะก็เลยใส่ซะก่อนหนึ่งนะก็เลยรับประทานไปค่อนข้างเยอะ ก็คื อ, อเพื่อที่จุดประสงค์ตรงนี้คืออะไรนะคุณยมติ่นก็คือเพื่อที่ว่าให้กายเราเบาให้เรามีเวทนาเบาบางหนงการที่มีกายเบาเจะทําให้เอื้อเฟื้อต่อการที่เราจะสังเกตเรียบบทเราการที่ตั้งสติขึ้นได้2การที่มีเวทนาเบาบางอันนี้จะช่วยได้แต่ทาให้การปฏิบัติของเราดีขึ้นพระพุทธเจ้าจึงออกแบบกฎระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยให้ให้ใหอื้อเฟื้อต่อการปฏิบัตินั่นเองนะค่ะนะครับท่านฟังคะวันนี้ เราก็คงจะได้วิธีการที่จะถวายปานะพระสงฆ์อย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ไปพูดเฉยแบบที่ดิฉันได้พูดแล้วท่านเพราะหัว <c oughs> ท่านไปรบูญหัวเร า, วราะตลอด <c oughs> ก็คืออย่าไปใช้คำว่าน้าปานะเพราะตัวปานะนั่นแหละน้ำนะคะและปานะาที่เป็นน้ำเนี่ยจะฉันได้2แบบคือน้ำเปล่าหรือน้ำผลไม้ในเงื่อนไขว่าต้องไม่เติมน้าตาลต้องไม่ผ่านความร้อน และต้องกรองมาแล้วด้วย<จ>ส่วนนอกเหนือจากปานะทีนี้จะเป็นอะไรที่มีคุณสมบัติเป็นยาเภสัชเพื่อดับเวทนาถ้าเป็นเพสัตห้าก็จะประกอบไปด้วยเนยใส่เนยข้นน้ำมันน้าผึ้งน้าอ้อยอส่วนเพสัชอีกประเภทหนึ่งนอกเหนือจากเพสัตห้าก็ที่เป็นา ต, ต้นไม้ใบรากมเมล็ดอะไรพวกนี้ ส่วนประกอบของต้นไม้เท่านั้นนะคะเป็นเนื้อสัตว์ไม่ได้ดิฉันเห็นคนบางคนเคยต้มซุปไปถวายพระเอาเฉพาะน้ําให้ตอนเย็น อ, อันนี้อันนี้ได้อยู่อก็จะมีข้อหนึ่งใช่ยังไงนะคะท่านข้าดิฉันเองก็งงซุปไ ก, ก่สกัดอย่างเงี้ยได้อยู่อ๋อคือกินเพื่อนะครับเวทนานะ น, นี่เป็นเพสัตชน ะ, ะถือว่าเป็นเพศสัชใช่อ๋อถือว่าเป็นเภสัตว์นะคะอันนี้ก็มาที่ว่าถ้าเป็นเภสัตชนะคะส่วนประกอบของต้นไม้ต่างๆที่มีคุณสมบัติเป็นยาได้ และอย่างซุปไก่สกัดเนี่ยก็ถือว่ามีคุณสมบัติเป็นยาใช่ก็ได้เช่นเดียวกันเอหรือว่ามันก็จะมีแบบที่มันพิสดารไปอีกนะในสมัยพุทธกาลเช่นเลือดมนุษย์เอเช่นสุราอย่างเงี้ยแต่ถ้ากินเป็นเภสัชมันก็ได้เข้าใจไหมคือเป็นเภสัชนะเราต้องเน้นนิดนึงค่ะต้องเน้นเพราะว่าอแล้วก็เพิ่มเติมนิดหนึ่งตรงร<อ>ส่วนที่สองก็คือตรงที่เป็นปานะเนี่ยอบางท่านก็จะให้ความ รายละเอียดต้องไปอีกเช่น ว, ว่าผ ล, ลไม้ที่เอามาทํานะจะต้องเป็นลูกที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่าผลมะตูมเป็นต้นนะคือถ้าสมมุติเราบอกว่าผลไม้ใช่ไหมไม่เติมน้ำตาลไม่ผ่านความร้เอาน้ําแตงโมดีกว่าค่ ะ, ะมาคั้นปั่นกรองแล้วถวายพระแต่บางท่านก็จะไม่ฉันอ๋ออันนี้มีพุทธบัญญัติเลยหรือเปล่าและะ้วคืออันนี้เป็นความเห็นของอกาจารย์อาจารยที่<อ>ทเพิ่มเติม<อ><ๆ>ขึ้นมาในส่วนที่ว่าลูกมันไม่ใหญ่เกินไปแต่แต่ว่าในคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะอธิบายไว้แค่ตรงนี้ ไม่ได้ว่าจํากัดขนาดเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะพอท่านพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยดิฉันว่าถ้าหน้าร้อนๆเนี่ยคนคงจะนึกถึงโอ้แตงโมแล้วกันถวายพระน่าเห็นใจท่านนะอืมหรือว่าน้ํามะพร้าวอย่างเงี้ยนะซึ่มบางท่านก็จะไม่ฉันอ๋อค่ะนะคะอันนี้ก็สุดแท้แต่แต่ว่าพระพุธองเนี่ยไม่ได้บัญญัติระบุละเอียดในเรื่องนี้่ไว้ได้ความรู้ไปเต็มเลยแล้วก็เวลาก็จะหมดแล้วด้วยค่ะท่านบุธบุญค่ะ วันนี้ก็กราบน้อมสักการขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้ปัญญาเกี่ยวเรื่องของสังฆทานและป า, ะานะกราบนมสักการค่ะเรียนบาลระหว่างที่เคารพค่ะพระมหาภัยบุญอภิปุลโนนะคะวันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นความรู้ซึ่งจุดไม่สําคัญก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าในเมื่อเราต้องเกี่ยวข้องกับสมณะเราก็จึงควรที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นการช่วยท่านด้วยไม่ให้ท่านต้องล่อแหลมต่อการที่จะ ผิดวินัยและในขณะเดียวกันก็ช่วยเป็การสื่อทอดกาสอนของพระศ า, าสดาซึ่งเท่ากับว่าเราได้ช่วยทําให้พระพุทธศาสนานั้นไม่เสื่อมนะคะไปจากที่พระพุทโธได้บัญญัติเอามาไว้เป็นอย่างดีคือทํากับวินัยเท่านั้นติดตามรับฟังรายการสรสนีสฐานะนะคะดำเนินรายการโดยสันสนิษฐานะพงทางสถานีวิทยุ FM ฟเอร้อยหครอบครัวข่าว กันได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าท่านพิบูลจะมาพบท่านทั้งหลายตั้งแต่วันจันทร์ค่ะวันนี้พุทธวัด ส, สวัสดีค่ะ